บทพระพุทธคุณทํานองสรพันยะองค์ใดพระสามพุทธสุวิสุทธาสันดานตัดมูลกะเลนมันบ่มีมนมีมองมวล ถึงในพระไทยทันก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบอพันหัวสุวะคนทะารกมจององได้ประกอบด้วยพระกร ชากรมาลโอกขะกันดนันชีทางบันเทาทุกข์และชีสุขกกเกมสรรชีทางพระนฤพนอันพ้นอกวิโยภัย พิธาจากสุจรัรณ์วิมลสายเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประ จ, จับจริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชัย โลกได้พึ่งพิงมมลบาบัมบำเพ็ญบุญข้าขอประนต น, นมศีรากล่าวบังคมคุณสามพุทธกากรุณย่าผากนั้น run down.